เพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเธอแต่ผู้เดียวนี่ตรงนั้นเนี่ยนะก็ท่านอนเนี่ยก็สร้างความโศกสมมติความโศกมีร้อยเปอร์เซ็นต่ยนะพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเช่นนั้นก็หายโศกไปห้าสิเปอร์เซ็นตเพราะเราพลาดเองเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์พลาดเลยการกระทําันนี้ตำหนิพระพุทธเจ้าไม่ได้โดยส่วนเดียวว่าพระองค์ขาดเมตตาขาดการุณา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 ที่เกิดขึ้นแล้วที่ปรุงแต่งขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแตกทำลายเป็นธรรมดานนก็อย่างว่าภาชนะดินเนี่ยยังไงมันก็ต้องแตกทำลายเป็นธรรมดามาเพรา ะ, ะนั้นการที่สิ่งที่มีความแตกทำลายเป็นธรรมดาเราจะไปอ้อนวอนว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะสังขารทั้งหลายมีความแตกทาลายเป็น ที่สุดเปรียบเหมือนชีวิตมีความตายเป็นที่สุดซึ่งคำอธิบายเพิ่มเติมพิเศษในหน้าสี่ร้อยสองว่าปิเยหิมนาเปหิความเป็นต่างๆคือโดยชาติความละเว้นเพราะมรณะคือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่ที่ชาติคือความเกิดที่สุดหละเมื่อมีชาติ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 ก่อร่างสร้างมาสี่อสงไขยแสนกับด้วยบุญกุศลที่บ่มบารมีแม้กระทั่งพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณพระสรีระคุณพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในที่สุดก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาโดยที่สุดแม้แต่สรีระของพระพุทธเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าทีปังกรสรีระของพระองค์ก็แตกสลายมาแล้ว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 ว่าขอสังขารเหล่านั้นอย่าแตกคาลายเป็นไปไม่ได้หรอกที่สังขารเหล่านั้นจะกลับคืนดังเดิมนะเพราะสังขารทั้งหลายก็มีความแตกคาลายเป็นที่สุดรอบมันควรแล้วล่ะที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเพราะว่าความเพลิดเพลินอะไรติดข้องในขันห้5เป็นเหตุสร้างขันห้าความเพลิดเพลินในรูปเป็นเหตุสร้างรูปความเพลิดเพลินในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ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 ขันธทั้งหลายเหล่านั้นก็แตกคาลายหมดแล้วคันธห้าเหล่าใดาเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะประณีตวิจิตบรรจงจะงดงามปานใดจะดีเยี่ยมขนาดไหนให้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะนะมีความแตกคาลายเป็นที่สุดรอดเพราะพระตถาคตของเราก็ต้องฉะนั้นเหมือนกันเพราะเป็นสังขารทั้งหลาย เนี่ยเพราะเป็นสังขารเมื่อพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะพุทธะนี่เป็นชื่อของพระปัญญาคุณนะนะพระสรีระคุณที่รองรับพระสัพพันธ์อยู่คุณเนี่ยนะนั้นพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นเมื่อสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นเนี่ยนะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังต้องทําลายแต่การแจกแตกทําลายของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพวกเราทั้งหลายหรือปุถุชนทั้งหลาย เพราะพระองค์นั้นถือว่าปลดปล่อยเปลื้องภาระเสร็จแล้วก็แบบว่าไม่ต้องแบกภาระใหม่ๆขึ้นมาให้มันหนักอีกต่อไปเนี่ยนะซึ่งต่างจากปุตุชนทั้งหลายก็เรียกว่าทิ้งกระสอบเข้าลูกนี้ก็ถือเอากระสอบลูกใหม่ต่อไปอแล้วก็แบกต่อไปไม่มีจบมีสิน้นเปลี่ยนจากภาระหนึ่งก็สู่ภาระหนึ่งเปรียบเหมือนว่าคนงานที่แบกของหนักๆเนี่ยนะแบกบของหนักๆเนี่ยวันละเอ่อเที่ยวละห้าหกสิบกิโลหรือร้อยกิโลขึ้นไป เอาแบกเอาไปวางลงแล้วก็แบกอันใหม่เห็นไหมวางลงเสร็จแล้วก็แบกอันใหม่แต่ละภพแต่ละชาติก็ลักษณะอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้านี้ได้รับชัยชนะวางรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะพระองค์นี้ถึงฝั่งถึงธรรมเป็นที่วางขันห้าพระองค์ไม่ยึดถือขันห้าอีกต่อไปไอ้คาว่าไม่ยึดเนี่ยนะคือเหตุที่แบกขันห้าเพราะอะไรเพราะความยึดใน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 ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าพระองค์จึงสอนโพธิปัจขยธรรมสอนโพธิปัจขยธรรมญาณทัศนวิสุทธิวิปัสสนาทั้งหลายสติปฐานทั้งหลายก็คือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าเพราะขันห้าถึงจะดีงามวิจิตปานใดก็ตามขันเหล่านั้นก็ต้องแตกทําลายเป็นที่สุดโดยแต่แม้กระทั่ง สริระของพระองค์ที่บุญกุศลสร้างสมอบรมมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเป็นพระสรีระรูปที่สมบูรณ์ด้วยมหาุริศลลักษณะ3าประการอนุพยัญชนะ80อย่างเนี่ยนะประดับตกแต่งด้วยรัศมีอีกหนึ่งวานะมีจิตเป็นจิตสัพพัญยุตยานเนี่ยนะจิตที่ประกอบด้วยสัพพัญยุตยานเป็นบุญกุศลชั้นเยี่ยมเป็นของที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นสังขารเหล่านั้นก็แตกทำลายเป็นธรรมดาเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะสำหรับผ้าหันทั้งหลายเมื่อคายน้ำลายทิ้งเปื้อนดินไปแล้วเนี่ยถามว่าท่านจะเก็บเอามาอมอีกไหมนะบอกว่าไม่ได้หรอกฉันใดพระตถาคตก็เหมือนกันโปรงถอดอะไรในขันห้าเสร็จแล้วจะให้ยึดขึ้นมาอีก บอกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้นั้นการที่จะให้พระองค์เนะี่ยบอกว่าโอ้ขอให้อายุของยืนต่อไปอีกบอกว่าไม่แล้วเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าคนที่แบบเจ็บปวดหนักๆแล้วก็วางไอ้ความเจ็บปวดก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีแต่ความทุกข์ทรมานเนี่ยนะเมื่อวางเสร็จแล้วถามว่าจะเก็บเอามามาใส่อีกไหมเพราะคำขอร้องของใครเนะี่ยบอกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้นั้นการที่พระองค์จะยึดเอ่อจะยึดหรือว่าจะ วางใจว่าขอชีวิตตินซีจงดำรงต่อไปอีกบอกไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อย่างที่พระองค์บอกว่าสิ่งใดที่ตถาคตสละสละแล้วขายแล้วถ้าขายนี่ใช้กับอะไรคืออาเจียนของแล้วตกลงบนดินไหมเปื้อนฝุ่นไปหมดบอกเก็บคืนเอามาอมต่อไปไหมเก็บเอามากลืนกินไหมไม่ใช่เด็กๆไงเคิเป็นเด็กนะทำขนมตกแล้วมาปัดปัดปัดแล้วกินต่อเนี่ยนะบางคนนี่เป็นยางั้นะ ลูกอมบางทีก็เหมือนกันนะอมลูกอมอ ม, อมไปในหน่อยเดียวแล้วพูดแล้วมันตกนะอย่างที่เอาไปล้างน้ำแล้วก็อมต่อแต่ว่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลักษณะนั้นอุปาทานขันเหล่าใดที่พระองค์คายไปแล้วเหมือนกับคายก้อนเคละก้อนน้ําลายเป็นต้นเนี่ยที่จะให้พระองค์กลืนกินเอาไปอีกไม่ใช่ฐานะที่เป็นได้อันนั้นอะไรนะเหมือนว่าทำเนาทําน้ำหวานหกตกลงราดพื้นเนี่ยนะ ที่ผสมกับดินโคลเนี่ยจะเรียคืนไหมบอกไม่เอาหรอยังไงก็ไม่เอาอีกแล้วพราันสิ่งใดที่พ้นแล้วด้วยตะทางข้าประหารวิขมพนป ะ, มะประหารสมุชเฉทประหารละแล้วด้วยปฏิปสัตย์ที่ประหารเป็นต้นวางแล้วจะเอาคืนอีกไม่ใช่ฐานะพันอายุสังขารชีวิตยินทรีย์ที่ปลงแล้วตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ยึดเอาอีกเราก็จะไม่ยึดฉันนั้นพันวาจาใดที่ตถาคตกล่าวแล้ว เป็นวาจาที่พูดแล้วโดยส่วนเดียวไม่มีกลับใจอันนี้เป็นสัจจะวาจาเป็นพุทธวาจาที่ไม่มีการกลับใจเพราะฉะนั้นไม่ช้าตถาคตจักปรินิพานแปลว่ารวดเร็วมากในระยะเวลาสามเดือนนี้ถือว่ารวดเร็วต่อจากนี้ไปสามเดือนนับถอยหลังไปเถอะเก้าสิบวันตถาคตจักปรินิพาน